เอ่อสำหรับตอนนี้ก็ขอ สั่งสอนกันให้ประพฤติชั่วอยู่ แต่ความจริงการแสดง การบูชาเนี่ยเขาบูชาความดีกัน ความมีอยู่ว่าพระ องค์สมเด็จพระบรม แปลว่าองค์สมเด็จพระรมครูเจ้า เวลาๆออกบวชๆอยากจะเป็นพระกับเขาจะเป็นพระกับเขาอยาก เข้าใจว่าความประพฤติชั่วเป็น อารมณ์ที่ต้องการติ ยพระอภินนนั่นเองเมื่อภิกษุ เวลาๆ2 เป็นอย่างดียิ่งคือว่าปฏิบัติ ก็คุณยังไม่รู้หรือเมื่อคุณยังไม่รู้ถามว่านี่คุณคุณยัง คือคันธาตุธุระ 1 ได้แก่ ยามนี้ชื่อว่าเป็น นกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมัน ทางนี้ก็เพื่อความหลุด สำหรับท่านผู้เป็นพี่ ความจริง 5 บรรษานี่เค้าเรียกว่า ตายแล้วลงอเวจีมหานรกแน่ ไกรกว่าทรดฟันวาถาครู ขออวยชายะสั่งสอน เรียนมากไปพระบางองค์ แล้วก็ไม่มีการอุทธรณ์ๆทั้งหมดอย่า ใครดีพระองค์ก็ทรง แล้วก็กราบราทรูปปชายะเข้าไป เมื่อเข้าไปสู่อยู่ป่าเข้าไปสู่อยู่ป่าก็ ตนฤติตัวเองอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะควบทวนว่า ควรจะอยู่วัดอื่นก็ไม่ต้องกันเวทีมหานรก ท่านไม่มีความอะไรในชีวิตแต่ร่างกาย ก็แสดงว่าอารมณ์จิต <c oughs> อารมณ์ที่ๆน้อยๆให้หมักนักไอ้ เมื่ออนุอาต่อมาท่านก็บรรลุ อะไรวัฒนปฏิบัติมากเท่าไหร่พระนางปาตา อัตตนาโจทยัตตานังเตือนตนด้วยตนเอง ได้เป็นพระอริยะบุคคล <c oughs> หัวในฐานะที่เป็นพระอริยะ <c oughs> แต่ท่านผมก็ชอบแบบนี้ผมไม่ได้พยากรณ์ตัว คือว่าไม่ 40 ปีเสร็จการเข้า ในคุยกันต่อไป <c oughs> ควรที่จะเรียนคันถธุระหยุดครั้งที่ เออพิจารณาคิดว่าเราหนุ่มยังไกลต่อความตายเพียงเท่านี้ <c oughs> จนจบพระไตรปิฎกใน M A M, M Z พวกเนี่ย M นี่ ไม่คว้าว่ามาก่อนเรา และในการต่อมาการต่อมาก็มีภิกษุ ก็ไม่มีใครเขาคัดค้านที่ ทำให้กลายเป็นคนขึ้น 2 3 แล้ว 4 ความสุข เดว่าใครหนอที่จะมีความรู้ โดยจักจะไม่คํานึง ถ้ากําลังจิตของเราเป็นปุถุชนนี่ ถ้าจิตเราละเอียดอ่านนั้น ยากที่ปัญญาของชนยาก แค่โตต้องไม่คือปัญญาเกิดจากการฟังที่เราเรียกกันว่าสัญญาฉะนั้นเมื่อท่าน กันว่าสัญญาเองปัญญาเกิดขึ้นให้มันไม่ใช่ๆที่ อันเป็นปัญหาที่แท้ ย่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนั่นทักทวงถูกพระภิกษุสงฆ์ สำหรับวันสวัสดี